เมืองไทยเราเนี่ยไม่น่าเชื่อนะมีเด็กเป็นแสนเลยนะที่พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กทั่ว่านี่ก็หมายถึงเฉพาะเด็กเล็กๆนะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงเด็กอายุ9หรือสิขวบเรอจะสูงกว่า น, นั้นหน่อยเราไม่รู้มีจำนวนเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆคือว่าเฉพาะที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็ก หรว่าสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งของรัฐและเอกชนนี่ก็ตอนนี้ก็มีประมาณแสนคนและที่ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ที่ว่านี่แต่ว่าอยู่ในการดูแลของคนอื่นหรืออาจจะไมไ่อยู่ในการดูแลของใครเลยก็ไม่รู้เท่าไหร่ถามว่าเด็กจํานวนเป็นแสนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะกับคนเหล่านี้กับเด็กเหล่านี้เนี่ย ทำไมพ่อแม่เนี่ยถึงไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็มีสาเหตุหลายอย่างนะเช่นยากจนนะปากกัดตีนถีบแบบนี้เราก็เห็นนะก็ให้ย่าให้ยายให้ปู่ให้ตาเลี้ยงแบบนี้ก็มีอยู่แต่ที่ไม่มีปู่ย่าตายาย รับไปดูแลก็คงมีไม่น้อยอันนี้เรียกว่ายากจนหรือไม่ใช่นั้นพ่อแม่ก็อยู่ในวัยเรียนโดยพ่อแม่เนี่ยแม่อยู่ในวัยเรียนเช่นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเรียกว่าท้องไม่พร้อม พ, พอคลอดลูกก็เลี้ยงไม่ไหวบางทีก็ไม่มีทางไปก็เอาลูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล หรืทิ้งไว้ตามที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะที่คนอื่นจะเห็นหาเจอแล้วก็เอาไปช่วยเหลือต่อนี่ก็ไม่น้อยนะแต่บางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นพ่อมีอาชีพบางอย่างที่ทําให้ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกโดยเฉพาะเด็กอ่อนเช่นบางคนเป็นหญิงขายบริการ อันนี้ก็ท้องไม่พร้อมนะท้องโดยไม่ตั้งใจแล้วก็พอเขาเรู้เสีก็ตัวก็หนีไปทิ้งลูไว้ที่โรงพยาบาลแลพศที่สามคือว่าครอบครัวโดยพ่อแม่เนี่ยมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมหรือทางด้านจิตประสาทเช่นติดยาติดยาบ้าเนี่ยก็ ไม่มีบรรญาเลี้ยงนะจะเป็นลูกหรือแม้ทั้งพ่อแม่ก็ตามแล้วบางคนก็เป็นโรคจิตไอนนเป็นเพราะเคยถูกทำร้ายในวัยเด็กพอโตขึ้นเป็นแม่คนก็ใช้ความรุนแรงกับลูกลูกเด็กเล็กร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นไรร่ำเวลาก็แม่ก็ทำร้าย แบบนี้เนี่ยก็ต้องพาเด็กนะไปให้คนอื่นเลี้ยงนะซึ่งทุกวันนี้มันก็มีสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างที่ว่าแต่สถานที่เหล่านี้เนี่ยมันก็มีปัญหาหรือมอีข้อเสียนะก็คือว่าแม่จะดูแลในเรื่องของนมเรื่องของอาหารมีที่พัก แต่ว่าเรื่องการดูแลให้ครบถ้วนเนี่ยยากอย่างสามสมคราดเด็กของรัฐเนี่ยนะพี่เลี้ยงคนนึงต้องดูแลเด็กห้าหรือสิบคนเด็กเล็กนะแค่เปลี่ยนผ้าอ้อมนี่ก็แย่แล้วไม่มีเวลาแล้วไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนข้าวหรือป้อนนมและหน่อย น, ะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันไปนะแม้จะอยู่ในวัยทารก แต่ว่าพออยู่ในสถานสงเคราะห์หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ต้องทำตามกฎระเบียบกินพร้อมกันนอนพร้อมกันซึ่งอาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กบางคนที่มีพัฒนาการแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทางอออกีกทางหนึ่งนะคือว่าหาครอบครัวที่จะมาช่วยดูแลเด็ก ไม่ใช่แค่ครอบครัวบุญธรรมนะแต่ว่าครอบครัวอุปธรรมหมายความว่ารับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวยังไม่พร้อมก็เลี้ยงแบบ1น่ตอนหนึ่งนเะหมือว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวต่อเด็กหนึ่งคนซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เด็กเนี่ยมีการเติบโตอย่างครบถ้วนนะทั้งด้านของร่างกายและจิตใจเพราะว่า ในเรื่องร่างกายก็ไม่ขาดอาหารในเรื่องจิตใจก็จะรับความดูแลจากคนที่เป็นเหมือนพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นตาเป็นยายถ้าจะรับความดูแลได้รับความรักอย่างดีเด็กก็จะมีพัฒนาการที่สมวัยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวบุญธรรม ยินดีรับเด็กนี้ไปไปดูแลตนโตส่งเสียจนจบมหาทยาลัยก็ยินดีนะครอบครัวบุญธรรมนี้ก็คงมีแต่ว่าที่ที่หายากนะคือครอบครัวอุปถรัรมภ์ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างสถานสงเคราะห์เด็กกับครอบครัวบุญธรรมบางทีครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยนะพอเลี้ยงเด็กได้สักระยะหนึ่งแล้ว พ่อแม่เดิมพร้อมละพร้อมที่จะเลี้ยงลูกละหรือว่าเกิดได้คิดขึ้นมานะว่าเราจะทิ้งลูกไปทำไมนะเราน่าจะรับลูกมาเลี้ยงก็ครอบพอบุญธรรมนี่แหละ้วครอบประับ น, นี่แหละก็คืนเด็กสู่พ่อแม่อันนี้มันมีมูลนิธิหนึ่งนะที่กำลังทำงานด้านนี้เนี่ยชื่อสหไทยมูนิิ เป็นมือที่ที่คอยหาครอบครัวประถ์ที่จะช่วยรับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่ไม่พร้อมจนกระทั่งเด็กเนี่ยอาจจะพอที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ค่อยคืนพ่อแม่หรือบางทีพ่อแม่พร้อมที่จะรับแล้วก็มารับได้เลยหรือว่าระหว่างนั้น มีครอบครัวบุญธรรมที่สนใจอยากจะเลี้ยงไปตลอดอก็ค่อยส่งให้ตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาศาสต ร, รมมิทิเนี่ยก็มีครอบครัวอุปถัมร์เนี่ยอยู่หลายลายนะแต่ส่วนใหญ่นี่มีอายุแล้วคือเป็นพวกข้าราชการใบเกษียณหรือว่าคนที่มีอายุหกสิบเจ็ดสิบคนเหล่านี้เนี่ยเขาพอมีอายุมากเนี่ยส่วนหนึ่งก็ เหงานะไม่มีลูกก็อยากจะเลี้ยงลูกอยากจะดูแลหลานก็รับเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยหรือพ่อแม่ไม่พร้อมเนี่ยมาเลี้ยงแต่ตอนหลังเนี่ยครอบครัวบุญธรรมเหล่านี้อายุมากแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วบางลายเลี้ยงมาสิบคนแล้วนะเด็กอก็คงจะเลี้ยงต่อไม่ไหวเขาก็เลยตอนนี้ก็ก็เลยกําลังรณรง์ ประกาศหาครอบครัวอุปถรัรมภ์ที่จะช่วยรับเลี้ยงเด็กอาชัย1นปีนะแล้วค่อยอคือเด็กสู่พ่อแม่เดิมหรือว่าส่งต่อให้ครอบครัวบุญธรรมที่จะหามาได้ในอนาคตแล้วค่าใช้จ่ายนี่สาธารณมูที่ก็มีเงินไม่มากนะช่วยเดือนละสพันเนี่ยซึ่งก็ที่จริง แค่ค่าอาหารค่าขนมนะยังไม่นับค่าผ้า อ, อมนี่ก็หมดไปแล้วนะแต่ว่าก็มีครอบครัวจํานวนมากนี่เขายินดีนะเพราะเขาอยากจะเลี้ยงอยากจะเลี้ยงลูกอยากจะช่วยเหลือเด็กที่เดือดร้อนแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยพอได้มาอยู่กับครอบครัวประถมแล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยนะบางรายนี่น่าสงสารมากเด็กสองขวบถูกพ่อแม่ทํา ถ, ถูกแม่ทําร้ายเนี่ยห้าสิบกว่าครั้ง เข้าโรงพยาบาลนี่ไม่รู้กี่10ครั้งแล้วตอนหลังก็เป็นเด็กผวาไม่ค่อยไม่ค่อยให้ใครมากล้าจับตัวแม้แต่แม้ผู้ใหญ่จะมาลูบเนื้อลูบตัวก็ไม่ยอมเพราะว่าผวากลัวแม่ทําร้ายแต่พอมาอยู่กับครอบครัวประถ์นี่เขาก็ดูแลอย่างดีเลยนะจ น, นทั่งเด็กเนี้ยเริ่มมีพัฒนาการทางจิต ท, ที่ดีขึ้นยอมให้คนเนี้ยมาจับเนื้อต้องตัวได้ เรื่อว่าเริ่มไว้ใจคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าโน้มน้าวนะลองนึกภาพนะเด็กถ้าเด็ ก, ดกคนนี้เนี่ยไม่มีใครดูแลเลยแต่เติบโตมาได้เนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีจิตใจอย่างไรนะที่จริงการช่วยเป็นข้อพระบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยเด็กอย่างเดียวนะมันช่วยสังคมเลยนะเพราะว่าเด็กที่ไม่ได้รับการดูแล อย่างดีเนี่ยในแง่ของกายและใจเนี่ยพอโตขึ้นแล้วนี่เขาอาจจะก่อความรุนแรงนะกับใครต่อใครก็ได้เดิมเป็นเหยือ่อแต่พอเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ก่อการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคนที่ทำร้ายผู้คนเนี่ยด้วยความรุนแรงหรือว่าอาจจะกระทำชำเรากับ แค่ตรงข้ามเนี่ยพวกนี้รอดแต่เคยเป็นเหยื่อตอนเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลกล่อมกล้าด้วยความรักเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้รับการดูแลนะอย่างเหมาะถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะกลายเป็นพลเมืองดีเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสุขได้ก็เป็นการช่วยสังคมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจนะอ่า อยากจะเป็นครอบครัวอุปถัมภ์นะก็ติดต่อทางศาสตร์ไทยมูลนิธิได้นะหรือว่าจะช่วยบริจาคเงินก็ได้เรามีโครงการคืนเด็กสู่บ้านนะเพราะว่าสิ่งที่เหมาะสมสภาบาลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กคือบ้านนะไม่ใช่สถานสงเคราะห์นะไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็กนะคือบ้านถ้าบ้านนั้นเป็นมีพ่อแม่จริงๆยิ่งดีและต้องเป็นพ่อแม่ที่พร้อมแต่ถ้าไม่พร้อมนี่ ไปอยู่กับคนอื่นที่เขาพร้อมจะเลี้ยงด้วยความรักด้วยความใจใส่ก็ยังดีกว่านะแต่ก็ต้องมีคนที่อาสานะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะซึ่งก็ต้องอาศัยนอกจากเมตตากรุณาแล้วนะต้องอาศัยความรักแบบไม่มีเงินไขเพราะาพอเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงเหมือนหลานพอคืนเข้าไปให้กับบ้านเนี่ยบางทีมันก็เศร้าเงินนะแต่ว่าหลายคนนี่เขาก็ยอมนะ แม้จะรักเหมือนลูกแต่ว่าเพื่ออนาคตของลูกของหลานที่ตัวเองเลี้ยงก็ยอมคืนเขาให้กับพ่อแม่เดิมหรือว่าคืนให้หรือว่าส่งตอยพ่อพ่อแม่บุญธรรมต้องใสจ่จิตใจที่พร้อมจะปล่อยวางหรือว่ารักแบบไม่ครอบครองซึ่งพ่อแม่กุญธรรมหลายคนก็มีคุณลักษณะแบบนี้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่านุมโมทนาเป็นการทำบุญที่มีอ น, นิสงส์งมากทีเดียว